เท้าขวาทับเท้ททนะาทซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายวันนี้เราจะทำใจให้สวา่างนะทใจให้สวา่างเรียกสวา่างสวัยนี่จันรซ้อนกันเนี่ยโห <c oughs> นักปฏิบัติน่าจะมีพลังดีมากคนนีอ้อย่าลืมจักระล็รักขัติทิฏตนะพลังของจักรวาลมันเปลี่ยน นะมันเปลี่ยนไปทางโนดนะทางฮิสลามัมนลบราคาปันกันต่อไปมันพลังเนี้ยมันกำลังโกดแค้นแยกดินแดงเอออะไรอะไรทุกอย่างจะแบ่งมนุษย์จะแบ่งเ ผ, าผ่าพันธะุ์คนไทยก็รักกันไห ม, มสมัครสามาคีกันไว้กดบ้างคิวบ้างกินบ้างก็ช่วยๆกันไป ให้ผ่านเดือนสิงหาไปให้ได้สิงต่อสิงมันเจอกันไม่สิงก็เสือเจอกันก็จะเรื่องแรงนิดหนึ่งก็เมืองไทยก็ไม่ต้องกลัวนะมีข้าวกินทั้งปีทา้งชาติแต่ถ้าน้ำท่วมก็แย่เหมือนกันนะน้าท่วมก็แย่เหมือนกันปีนี้ก็ให้ระวังระวังน้ำนะเตือนหลายครั้งแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหน มันมีหน้าฝนมันไม่ใช่ฝนมันเป็นพายุหมดแล้วตอนนี้มันนึกจะมามามั น, นจะจะหายแรงก็แรงไปเลยตกกระตกหนักหนักไปเลยเหมือนกับเหมือนกับนักปฏิบัติเวลาทำสมาธิก็สมาธิก็แบบแรงเลยสภาวะจิตมันแรง ใครจะโทสะก็โทสะแรงใครจะมีความเมตตาก็เมตตาแรงปีนี้อะไรที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดในชีวิตนะค่อยๆหลับตาหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็หน้าว่าจะคิดกันปิดเปี้ยนะวันนี้เราเริ่มแรกก็กำหนดลงหายใจก่อนนะ อยาปฏิบัติด้วยกิเลสอยากให้ปฏิบัติด้วยความว่างเปล่านะความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นสิ่งใดๆที่ที่เรากําลังภาวนาให้ยึดตัวเองมองเห็นตัวเองกำลังนั่งไว้อย่าลืมคำว่ายิ้มคำวนะคาว่ายิ้มก็คือตัวเมตตานั่นเองมันกระจัดความอยากของจิตนะที่มันผูกลัดมัดเกี่ยวในเรื่อง เดียวคือความโรคความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นกนเนสทั้งในจิตของเราเต้ามองในเพื่อในเมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายเกิดงานหลับหูนะปิดหูหลับตาเนี่ยปิดปากเปิดลมหายใจเราก็ต้องจับลมหายใจเขาไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกอเอาแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองเขาไว้ เพราะนั้นการยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเราต้องเคยังเกตใจเนี่ยเรายิ้มให้ตัวเราเองไะเรายิ้มก็ยิ่มอยู่ในใจอะจิตมันเป็นสาภาวะจิตอีกดวงหนึ่งที่มันรู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีกับชีวิตเราการมีเมตตาไม่ใช่ว่าเป็นผู้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นคนมีเมตตาไม่ใช่ถ้าเกิดเราประพฤติปฏิบัติถึงจุดเมตตาเนี่ยคือความรักเนะเมตตาก็แปลว่ า, าความรักอันดับแรกเราอ่ะจะต้องรักตัวเองรักษาจิตรักษาศีล น, นะศีลก็คือความสำรวมกายวาจากายวาจาใจให้ถึงพ้องได้พอศีล ตอนนี้เราสํารวมแล้อยู่ในอารมณ์ของพุโทโธต้องตั้งสติสติคือความรู้ตัวนะเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็มีเมตตาอยู่ในใจก็คือความรักรักตัวเองรักอารมณ์ของตัวเองในการประพฤติปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเราไม่ทําการสิ่งใดนะความว่างเปล่าทั้งนั้นถ้าปฏิบัติเนี่ยเราอยากได้ฌานได้ญาณเนี่ย คำว่าอยากมันจะยากก็คือกิอเลสนั่นเองเมื่อเรามองเห็นตัวเองแล้วก็หายใจพุทโธแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองและมองเห็นตัวเองอย่าไปเพ่งนะทำอารมณ์ให้สบายหายใจก็แบบหายใจเข้าออกแบบสบายๆมันจะเจ็บจะป่วยเราก็ไม่ค้องแวะแวมัน ภาวนาะโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะทำได้ไหมคนที่จะมีเมตตาเนี่ยการให้เนี่ยให้ด้วยความสงสารด้วยความรักเมตตาการุณานะการุณาก็คือความสงสารคนที่จะทําจิตใจให้ดุดพ้นจากเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจนไปถึงโภมได้เนี่ยมันต้องมีเมตตา เมตตาคือการการรักรักตัวเองแล้วก็ให้กับตัวเองซึ่งว่าตอนเนี้เราได้แต่ให้แรงงานแรงกายแรงใจกับผู้อื่นอยู่สเสมอก็เพื่อกระดาษแผ่นเดียวเพื่อบ้านหลังใหญ่ๆรถยี่ห้อดีๆแก้วแหวนเ ง, งินทองก็ได้อาหารที่เรามีความต้องการก็อยากกั น, นแข่งกันรวยแข่งกัน มีบ้านหลังใหญ่มีรถยี่ห้อดีๆแสงแข่งกันสวยงามนะแต่วันเนี้ยเราแข่งกับตัวเองแล้วก็สู้กับอารมณ์ตัวเองยิ้มเข้าไว้ทำจิตใจให้ว่างโบทนาด้วยทุกคนรู้สึกหน้าใสอิ่มมากเลยหน้ามันอิ่มมันบง่งบอกถึงจิตใจมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นโดยที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยยิ้มอย่าเคร่งเครียดนะ เครงเครียดผมมองไปก็ไม่อยากมองหน้าด้วยนะเพราะว่าหน้าตามันเครียดหน้าตามันตึงอย่าไปบังคับใจตัวเองลองทำจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ดีๆนะให้มันดีๆให้มันรู้สึกว่าเรามาบำเป็นเพียนเนี่ยนะให้ตัวเองเนี่ยมันเอิ้ออิ่มสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทางใจ เขาบอกว่ากินอกกินใจเนี่ยมันก็ดีอยู่ขนาดต้นแรกๆที่เราถอนสมาธิที่ปัศจากความโมหมองในใจเนี่ยมันจะรู้สึกเ อ, อิบกินเขาเรียกปิตินะปิติต้นๆเนี่ยเราก็เริ่มดูตัวเองว่าในขณะเนี้ยถามใจตัวเองว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาสติจับใจดูด้วยมันอยู่ตรงไหน ก็มองไปในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นแค่ดินน้ำลมไปแค่ธาตุเท่า น, นั้นเองมันไม่ใช่ตัว ต, อตอนของเรานะมันเป็นแค่รูปนางของสัตว์ต่างๆมนุษย์ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ผู้ชายก็มีเรือนร่างที่เป็นอย่างนี้เราก็ลองนึกซึงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายก็คือตัวอานิจจังเป็นของไม่เที่ยง อันทีจังทุกขังนะทุกอย่างทุกวันเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นแค่อารมณ์แค่ตามองเห็นหูได้ยินนะมันก็ทำให้เราเศร้าหมองทางใจบางคนถึงก็ฆ่าตัวตายวิ่งเหยียบรถชนตายไปโดวหน้าตายเพราะอะไรเพราะขาดสติยึดมั่นถือมั่นเคารพกิเลสเป็นที่ตั้งเนยกัความโลภความ โ, ภภาโกรธความหลง คนมีบ้านหลังใหญ่มีตายไหมมันก็ตายเราก็มองเห็นตัวเองเราเปรียบเทียบตัวเองคงต้องใช้ปัญญานหน่อยนะั่นปัญญาก็มองว่าเออเนาะตอนเด็กก็แวบเดียวเมื่อก่อนนี่มันอยู่ในท้องท้องก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอครบเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมาเป็นตัวเด็กเป็นน้อยๆเราก็เึกถึงตัวเราไป เป็นเด็กแว๊บเดี่ยมมันทำไมมันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแว๊บเดี่ย์กลายเป็นคนแก่ไปแล้วกลายเป็นคนแก่ก็คนแก่ก็เขาก็บอกล้วเกิดแก่เจ็บตายไงเมื่อแก่แล้วก็เริ่มเขาเรียกอะไรตกนรกทั้งเป็นอะไรคือนรกทั้งเป็นนะก็คือคนแก่ก็หนังเริ่มเหี่ยวตาย หัวเริ่มงอกตากเริ่มมองไม่เห็นหายใจก็ยังเหนื่อยเลยเนี่ยมันก็เป็นอยู่แว บ, บเดียวก็เจ็บป่วยมาด้วยมันลุกคุ้มลงก ร, รมเนี่ยมันจะเกิดทางกายกรรมอันดับแรกเลยเหมือนคนปวดปางเนี่ยโอ้มันทรมารมา ก, มากคนเป็นไมเกรนนี่มานทรมานมากคนเครียดเนี่ ย, นอ น, ย, น, ยนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยตาดำครับลองดูตัวเองด้วยว่า อารมณ์เราจะมีอย่างนั้นมะนี่เป็นวิบากกรรมอย่างแรงมากตกนรกพอหมอกเนี่ยหมกก็หมายถึงว่ามันกกืนไม่เข้าครไม่ออกบอกอะไรกับใครไม่ได้เพราะมันทำซ้ำๆคิดซ้ำๆไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เล่นปัญญากับเรานี่นะให้มันเบาให้มันสบายแต่เล่นปัญญากับเราจะคิดตามตามผมได้ไมครั้งก่อนบอกว่าใช้นี่ไง ใช้ทีปู่ย่าตายายใครมีปัญญาน้อยวันนี้ก็รู้สึกนั่งแล้วก็ปวดหักนิดหนึ่งนะแต่มันก็บบอกสบายนะให้พิจารณาตัวเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันแวบเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วพอตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเอาบ้านนะเหมือนบ้านผมหลังเนี้ย ก็ไม่สามารถจะเอาบ้านไปได้เครื่องเพชรเครื่องพลอยพัะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราคล้องอยู่เนี่ยคงไม่มีใครเอาทองเอาพระเลื่อนทองเผาไปให้ในในเราคงไม่มีขอไม่ดูต่างหน้านะลูกหลาดแท้แท้มันก็อยากได้นะแก้งพูดลอยๆให้เราได้ยินเนี่ยเราก็กําหนดไปนะพุทโธไปนะ พูดไว้กำหนดรู้ตัวไว้ก็บอกบแล้วไงให้วันนี้ให้นั่งวาง่างเปล่าทำใจกับตัวเองเนี่ยไม่ยึดติดกระทั่งใจตัวเองมีสติรูว้ว่าลมหายใจบางทีมันก็เหมือนจะหลับเหมือนกันนะงกงกุบงกบุบเหมือนกันเพราะเราพยายามทําใจให้ว่างมันวางไม่ได้ไงพอใจว่างปุ๊บเป็นหลับนะ เราก็นั่งดูด้ยแขนก็ไม่ใช่เราตัวเราก็ไม่ใช่เรามีแค่จิตวิญญาณกับธาตุดินน้ำลมไปเ้าเรียกว่าโรปนามนรูปเราก็ดูตัวเองกับหลังนั่งในขนาดนี้สบายๆไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้เสียยิ้มดูตัวเองเ็ว่วดูตัวเองเนยอยู่ในลมหายใจเนี่ยถ้าเกิดมันตึงขึ้นไปมากเกร็งมาก มันจะรู้สึกมึนถ้าว่างมากมันก็รู้สึกจะสับ้าโงกเห็นไหมเรายังไม่รู้อาการที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันตึงมากขึ้นเราก็หายใจให้ลึกลงมาที่ท้องน้อยนะจับไว้ที่อารมณ์ว่าเรากาลังภาวนาอยู่พุทเข้าโทรออกอยู่เนี่ยอย่าไปอยากรู้อะไรเลยนะอย่าไปอยากรู้นั่งสบายๆพอเบามากก็ระวังนะ เรามันจะงกมุกนะพอมันขึ้นบนมากนะสติปัญญาเราไปคิดตามมากลืมกายลืมใจขาดสติก็จะปวดเนื้อปวดตัวนั่งแล้วเหมือนเมื่อยปวดอะไรเงี้ยนะเรียกว่าอาการเบาวันเนี้เบาเราจะโง่ไปทำไมนักปฏิบัติเราก็มองเห็นตัวเองในเป็นลงแล้วว่างปล่าไม่มีอะไรเลยจับไว้ที่ใจอย่างเดียวอย่าไปเกลงมันมาก จับใจปุ๊บมองเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั่งเหมือนอยู่ในกลางอากาศลมว่างป่าไม่มีตัวไม่มีตนเออลุงพ่อเนี่เขาใจสอนเนาะไม่มีตัวมีตนเพราะเราจะตัดตัวตนตัดรูปมนะาเบาปล่อยมันมันจะหนักมันจะเมื่อยมันจะปวดมันจะเป็นตรงไหนเราก็อย่าไปสนใจอาการที่เกิดขึ้นจับไว้ที่ใจ จับไว้ที่สติสติคือความรู้ตัวทัานั้นเองร่างกายเงามีดินน้ำลงไฟนี่จับเบาสบายยิ้มคือสบายใจฮะกายมึงจะหนักจะเมย์ก็เรื่องของมึงกูรู้สึกจับที่จิตพอจิตมันสูงขึ้นละเอียดขึ้นน่ะมันจะหายใจแบบเหมือนกับเราหายใจดึดสะลื้นสะลื่นนหน่อยแล้วมันก็ขึ้นไปอีกนี่เราจะเริ่มเก่งนะ พอมึงเกงพวกเนี่ยมึงก็ปล่อยอย่าไปยึดติดมันอย่าไปตามดูมันเขาให้นั่งสบายๆนั่งให้ไม่เห็นตัวเห็นตนให้มีความรู้สึกเท่านั้นเองวันนี้ให้มีความรู้สึกนะเมื่อมีความรู้สึกสบายๆเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะรู้สึกคลีออกมันก็คลีออกปุ๊บมันก็กทำทางให้เราเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะคิดนนคิดนี้ ผมว่าเป็นคนพูดให้ท่านนะ่ะคิดโน้นคิด น, น, ดนี่แต่บอกสรุปก็คือให้อยู่เฉยๆแล้วให้ใจว่างๆลองดูซิว่าไม่มีตัวเราของเราจิตเราก็ว่างเปล่าคิดอะไรก็ไม่คิดอาการจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันแล้วเราก็คุยกับตัวเองในใจว่าอ๋อมึงเจ็บมึงเมื่อยเหรอเป็นอาการอะไรที่ที่ตัวเองก็ถามใจตัวเองถามว่าออมึงเป็นนั่นเหรอมึงคิดนั่นเหรอ มึงนึกนั่นเหรอมมันไม่ใช่ตัวต้นมันเป็นอารมณ์เขาเรียกอารมณ์ที่นักปฏิบัติเนี่ยจะมีความพุ้งสร้างนะก่อนที่จะเข้าสมาธิอันละเอียดเนี่ยก็ต้องเข้าสมาธิหยาบๆคือความลังเลความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมวันนี้สอนเรื่องปัญญาสมถะเราสอนแล้วนี่ ธรรมะก็คือการพิจารณากายในกายที่พูดไปเนี่ยให้เราพิจารณาแต่เราเนี่ยยังไม่ปลดปล่อยมันเยี่ยมมากเลยทุกคนหน่าใสอ๋อคนที่มีสภาวะที่มันไม่เป็นทุกข์ทางใจเนี่ยใจมันจะเอิบอิ่มมันเหลืองผิวพรรณดูแล้วก็ขนลุกผมดูท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกขนลุกท่านอย่าไปยึดติดมันท่านจับคือเอาสติจับใจไว้สติคือความระลึกได้ว่าตอนนี้เรากาลังทําสมาธิอยู่นะจับใจก็คือใจเนี่ยคือจิตจิตคนเราเนี่ยมันมีมากมีทั้งทั่วนิ้วมือนิ้วเท้าก็คือความรู้สึกนอะไรเจ็บอะไรปวดอะไรเมื่อยเนี่ยเราจะมี ความรู้สึกคลิกจิตปิญญาณแต่เมื่อจิตวิญญาณเนี่ยมันเคยไงร่างกายต้องการอะไรรู้ตามันต้องการอะไรเนี่ยจิตจะสัมผัส ร, รู้ทั้งตัวตนทั้งตัวเองก็รู้เดี๋ยวปวดฉี่ปวดหนักปวดเบาปวดเมื่อยรองมีแต่จิตไม่มีกายเห็นมมึงเล็งโยกยิบยัยิบยักงอกลุกผู้คุณหมอนี่หน้าใสเป๊ะเลย ไอ้ก้อนหน้าเปลี่ยนสีนะคนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็รู้สึกแปลกใหม่แปลกใหม่ว่าเออเราลองไม่มีอะไรเลยเหมือนเราตายแล้วอ่ะมิตรจิตวิญญาณเท่านั้นเองรูปนามเดยก็เป็นสิ่งสมมุตินะยึดติดมันไม่ได้อารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หวงอารมณ์ถึงเนี่ยเราไปยึดติดนะปรุงแต่งทาให้เกิดทุกข์ทางใจเห็นไหม ไห้เกิดความเครียดทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำตัวความให้เกิดการโกรธชังเนยมันเกิดได้นะเป็นแค่ปลูกแ ต, แต่ถ้าท่านมีปัญญาบา ร, รมีนะปัญญามันรู้เท่านะปัญญาคือความรู้ในรอบในกองสังขารนะเมื่อวันนี้เราเอาปัญญาผสมกับสมาธิ มันมันมันวุ่นวางบางทีมันก็ดีช่มฉ่ำบางทีมันก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็ดิ่งบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็กลับมาอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวฟุ้งซ่านนะก็ววิกฤจจิตหาก็คือความฟุ้งซ่านในใจคนจะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ ปล่อยมันถ้าเรารู้ทันว่าอ๋อจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดับเกิดดับเกิดดับของอารมณ์เท่านั้นลองถามตัวเองโอ้มันแค่อารมณ์เกิดว่าปวดง่าเมือ่อยว่าเจ็บนะพเวลาคุยกันได้ทั้งวันไม่เจ็บไม่ปวดพอนั่งเนี่ยแป๊บเดียวทรมานก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีเราจะควานหาสุขทุกข์เนี่ยมันมีแต่ว่าเราจะดับดับมันว่า เราไม่ยึดทุกข์ไม่ยึดสุขเห็นบอกว่าให้เห็นใจตัวเองเห็นไหมมีสติรู้ตัวว่าอาการที่เกิดในตัวเราเนี่ยไม่เอาไม่อยากยุ่งกับมันมึงจะโยกจะยุบก็ถามมาเลยมึงก็โยกไปกูไม่มีกายกูมีแต่จิตะสว่างเหมือนดวงจันทร์อยู่ในใจนะโอ้ดีมากคนนี้ดิ่ง แต่ก็ทรมานตัวมันเบาไนะงธาตุลมไงลมเนี่ยมันทําให้ฟุ้งซ่านทําให้ลังเลทําให้สงสัรเห็นไหมลมมันมาทิศเดียวไหมลมไม่มีทิศทางมาไม่มีทิศทางก็เหมือนกับใจเราเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันมาไม่ทิศไม่รู้ทิศทุกทางนะกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าทําใจเบาก็ทําใจให้หนักไว้นะพอเราเบามากเข้าร่างกายมันเห็นไหม มันเกิดหนักขึ้นเลยเดี๋ยวว่าแก้งนั่งมันตั้งชั่วโมงดีไหมอืมแต่ตอนนี้ใจมันโอ้เห็นแล้วเรารู้สึกเบาใจสบายใจเย็นไปถึงโขงเลยเนี่ยอ้าวนะวันนี้ฝึกฝึกให้ธาตุลมฝึกทั้งสติแล้วฝึกทั้งปัญญาฝึกการเข้าออกค่ อ, คอยๆถอนสมาธินะ อย่าเพิ่งลืมตานะหายใจให้เป็นปกติค่ อ, คอยๆแล้วลองค่อยๆนึกด่ว่าอารมณ์เมื่อกี้ที่เกิดกับเราเนี่ยกับตอนนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันเลยค่ อ, คอยๆ อ, ออกนะครับอย่าไปยึดติดนะ